นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์อพิโซดที่84ครับในตอนที่84นี้เราพูดถึงเรื่องของหลักสูตรคนเก่าที่วัดป่ารอนไห้โศกเรารพูดถึงเรื่องความกลัวถ้าพูดถึงเรื่องความกลัวก็ต้องพูดเกี่ยวกับผีนะก็เลือกรเรื่องเกี่ยวกับการเลือกเนื้อนาบุญนนี้คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดอาตมาครับพระไพบุญอภิปุโนก็มาพร้อมกับคุณหมอรัตตบงครับกราบราชการครับ กับผมนัทพงศ์กระกวิรุณครับเอพิโซดที่แปดสิบแปดสิบสี่สิี่แสิบสี่พูดถึงเรื่องหลักสูตรคนเก่าหน่อยในช่วงที่สิบอ็ดถึงสิบเก้าสิงหาคมโอดีครับเป็นช่วงเวลาที่มีหลักสูตรที่สําหรับใช่สําหรับผู้เก่าเท่านั้นที่ที่เราเปิดรับอสาเหตุที่เปิดรับนี่ก็เพราะว่าในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะให้ให้คนใหม่ได้มีโอกาสเราก็จะบอกคนเก่าว่าเอองั้นก็ไว้คราวหน้านะ แล้วก็คราวนี้ให้โอกาสคนใหม่ก่อนแต่ว่าคราวหน้ารู้สึกว่ามันจะเหมือนกับไม่มาถึงสักทีคราวหน้าก็คนใหม่ก็เต็มอีกคร <c oughs> าวหน้าคนใหม่ก็เต็มอีกเนี่ย <c oughs> ส, สัดส่วนคนใหม่คนเก่าก็เลยยิง่งเ อ, อ <c oughs> เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหมายความว่าคนใหม่มากขึ้นคนเก่าน้อยลงอย่างเงี้ยนะครับก็เลยจะให้มีหลักสูตรคนเก่านี้ขึ้น <c oughs> แต่ตอนแรกมาตั้งใจว่าเออก็จะให้สักคนที่ผ่านมาสองรอบสักก่อนถึงจะมาเข้าได้อด <c oughs> ูๆแล้วก็แหมก็จะเป็นการกจํากัดสิทธ์มากเกินไปก็เลยให้ ไกลที่ป่ามาแล้วก็เข้าได้กับเรากันอย่างน้อยหนึ่งรอบเข<ช>ได้ครับถ้าจะพูดถึงคนที่เคยมาปฏิบัติที่วัปดป่าดอนไห่โศกเนี่ยมรดพก็จะทรา บ, รบว่าระสูงของเราก็เป็นพุทธวจนะอนะใช่ครับมันก็จะมีความเข้มข้นตามระดับที่พระเจ้าได้บอกสอนเอาไว้แต่มากบ้างน้อยบ้างอันนี้ก็ส่วนใหญ่จะมากแหละความเข้มข้นนะนะครับอันนี้อันนี้แชร์นิดหนึ่งว่าจากที่เคยปฏปิบัติมาหลายแห่งเนี่ยผมว่าที่ดอนไหนโศก เข้มกว่าเพื่อนครับอ <laughs> ันนั้นเลยเหรอกลับเออเออทีนี้ว่าถ้าจะให้มันเข้มข้นไปกว่านี้มันก็คงจะไม่ได้แล้วมันจะแตกแล้วมันจะเข้มและก็ข้นจนกินไม่ได้อะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือมีความแตกต่างจากหลักสูตรปกติตรงที่ว่าความละเอียดความละเอียดลึกซึ้งบางกันเถอะครับนะตารางเวลาเหมือนเดิมเข้มข้นเท่าเดิมแต่ความละเอียดลึกซึ้งเนี่ยที่ว่าเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่า เราก็จะพูดเรื่องที่มันละเอียดละเอียดมากขึ้นในยกข้อทรรข้อทรรละเอียดขึ้นใ ช, นใช่ใช่ใชยกตัวอย่างเช่นเราพูดถึงเรื่องอะระฟุงซ่านอย่างเงี้ยครับหมอท่าคงเคยสังเกตไหมเวลาที่เจริญฟุงซ่านหรือแม้แต่ตัวตาบ้าเองเนี่ยนะทุกวันนี้เราก็ยังคิดหลายเรื่องอยู่แล้วที่เรารู้ลงหายใจไปด้วยเนี่ยแล้วมันมีความคิดโผล่วาบขึ้นมาเนี่ยจริงๆความคิดแรกที่มันโผล่ขึ้นมาวาบเนี่ยคิดเรื่องคนอื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะรหรือคิดเรื่องเอ้ย ต, อต่อไปฉันจะทำอะไรเนี่ย ในขนานั้นเราก็ยังรู้ลมหายใจอยู่นิดหนึ่งทีนี้คือไม่ใช่ว่ามันมาปุ๊บเราลมหายใจหายเลยไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่มันยังมีลมหายใจอยู่แล้วก็มีความคิดนั้นอยู่ทีนี้พอความคิดมันปรุงไปปุ๊บไอ้ลมหายใจเราเริ่มไอ้ที่เรามารู้ลมหายใจเนี่ยเริ่มลดลงไอ้ที่เรามารู้ความคิดนั้นเริ่มมากขึ้นเดี๋ยวมันปรุงไปอีกเป็นเรื่องอื่นไปอีกไอ้ที่เรารู้ลมหายใจยิ่งลดลงอีกไอ้ที่เรารู้สิ่งนั้นยิ่งมากขึ้นอีก และจนกระทั่งมันเฟดหายไปเมื่อไหร่เราไม่รู้ลมหายใจและสิ่งนั้นก็มาแทนที่อลุ่ยาวหมือนกันมันเหมือนกับเวลาเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรายังรู้ลมหายใจอยู่เนี่ยจนกระทั่งเอ้าลมหายใจเราหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ลักษณะนี้นะคือมันไม่ใช่เป็นศูนย์หนึ่งแต่มันเป็นลักษณะของเฟดเหมือนกับเหมือนดิมเมอร์ดีเจค่อยๆดีเนี่ยเขาเขาเปลี่ยนเพลงอ่ะบางทีเราฟังไปฟังไปดิ้นไปเต้นไปเนี่ย ใครเคยไปเที่ยวดิสโกเทกเนี่ยเขาเปลี่ยนเพลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่เราจำไม่ได้ไม่สังเกตไม่รู้เลยเขาทำเนียนมากเทคนิคนี้เขาเรียกเฟดดิ้ FADE ครับซึ่งอันเดียวกันคือเวลาที่จิตมันมันกระทบเนี่ยไอ้จิตดวงที่มันมารู้ลรหายใจเนี่ยมันเริ่มแก่ละมันเริ่มเสื่อมไปแล้วมันตายตายคือดับไปแล้วที่เรารู้หายใจไอ้จิตดวงที่มันเกิดใหม่นี่มันโตขึ้นมาโตขึ้นมาจนกระทั่งมันมากินจิตเราทั้งหมดมาอยู่ในความรับรู้ของจิตของเราทั้งหมด อใช่ไหมรตรงนี้เราต้องสังเกตให้เห็นเพราะว่าถ้าเราสังเกตเห็นปุ๊บเราจะหยุดมันได้ก่อนที่มันจะมาโดนเราทั้งหมดอต้องมีสติเห็นอย่างรวดเร็วมแม่นยำเวลาที่หมอรัพย์พงศ์เคยฟุง้งซ่านไหมไม่ได้ถึงกับฟุง้งซ่านหรอกคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นเป็นครับทีนี้พอเราที่รู้ลมหายใจไปด้วยเนี่ยเราก็คิดลืไปด้วยได้ถูกไห ม, มแล้วทีนี้บางทีเราคิดไปคิดไปอา้าวเราลืมลมหายใจไปแค่แต่เมื่อไยแล้วถ้าเรา<ช>ดูรตรงนี้ดีๆเนี่ยมันจะเหมือนกับ ค่อยๆลดเราไใจความรู้ในเราไใจค่อยๆลดค่อยๆลดลดลความรู้ในสิ่งนั้นค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มอยเพิ่มคือเป็นลักษณะของหลายทะเลอ่ะนะครับลาดลงไปตามลําดับอันนี้อันนี้ข้อสังเกตที่หนึ่งที่เราเราจะรู้ว่าอ๋อจิตมันทํางานเป็นดวงๆอย่างนี้ว่ามันค่อยแก่ค่อยตายดับไปมันค่อยเกิดค่อยโตขึ้นเจริญขึ้นขึ้นมาอันนี้เป็นครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ที่คิดว่าคนที่ มาทําอยู่เป็นประจําเนี่ยจะรู้อ๋อฉีช้าก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเราไม่ได้ทําอยู่บ่อยๆเราจะจะพูดไปนี้ก็จะงงล่ะเป็นอย่างนั้นเหรอเอ้าฉันไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยก็ก็ทํำบ่อยๆซี่จะได้จะได้เห็นได้นะทีนี้ถ้าผัดสานนั้นแรงมากจริงๆมันอาจจะกระเทือนไปเลยไอ้ตรงเฟดดิ้งนี่มันอแหลมคมมากคือชันมากไม่ใช่ค่อยๆเฟดเอาเลยใช่ออันนี้คือข้อที่หนึ่ง อ่าข้อที่สองคืออย่างเช่นเรื่องการพิจารณาอาหารเป<แ>็นตน้นในการพิจารณาอาหารเนี่ย ห, ยหลายๆคนเนี่ยจะมาพิจารณาอาหารเฉพาะตอนที่ก่อนกิน<อ> แ, ตแต่แต่ว่าเราควรจะต้องพิจารณาอาหารตั้งแต่ตอนที่คุณไปตักอาหารแล้วเพราะ<แ>บางทีเราไปตักอาหารเนี่ยอันนี้ก็ชอบไม่ตักมากหน่อยอันนี้ไม่เอาแล้วกันเดี๋ยวเราตักอันนี้มากินดู น, นี้ดูมันจะเป็นยังไงแต่เม่อเราจะกินเราบาดตักมาก่อนนะนะแต่พอมาถึงปุ๊บเอากินไม่หมดก็เลยต้องจัดยัดยัดเข้าไปกลายเป็น เหมือนถัวถ่วเมล็ดถั่วฉุกแช่น้ำพองทำอะไรไม่ได้อีกเพรดฉะนั้นการพิจารณาหาเนี่ยต้องพิจารณาตั้งแต่ตอนที่คุณไปตากแล้วครับจริงๆนะจริงๆ <โอ S 1> ครับท่านอันนี้จริงๆรจริ ง, รงอย่างที่เป็นจริงครับ <laughs> ทีนี้ถ้าผมว่าคนใหม่เราไปบอกเขาว่าโอ้ยกินอันนี้ก็กินไม่ได้อันนั้นกินไม่ได้กินแบบนี้ไม่ได้ต้องนั่งกิ น, นอะไรมันก็จะเป็นจำจี้จำชัยเข้ามากเกินไปอนะอ่าใช่ครับก็เลยก็เลยพูดอยากกินอะไรก็กินอยากกินตอนไหนก็กินอยากกินอะไรก็ ก็อยากกินยังไงก็กินอย่างเงี้ยตามใจปากไปก่อนก็ก็ก็ไม่ได้บังคับอะไรมากเนี่ยเราก็จะฝึกให้เป็นลักษณะว่าเป็นลักษณะของม้าอาชาไนนะม้าอาชานัยเนี่ยไม่ได้ตามใจปากครนะเข้าอาหารไม่เหมาะกับความเป็นอาชานัยมาก็ไม่กินอย่างเงี้ยอย่างภิกษุอย่างเงี้ยไม่มีใครใส่บาตให้มีอาหารอยู่มีต้นไม้มีผลไม้อยู่ไปเก็บโอ้ยไม่กินหรอกอดดีกว่านะเพราะความที่ต้องผิดศีลก็ไม่ทําคำนะเพราะฉะนั้นเราก็ดูตรงนี้ว่า เออถ้าเราแมมจะต้องมากินเราก็พิจารณาตั้งแต่ก่อนตอนที่ตักเลยอืมอันนี้นะจริงนะครับตั้งแต่ตอนที่ตักเป็นอืมจริงๆทีนี้อันที่สองก็คือเรื่องการกินีเหมือนกันคือต้องดูที่เวทนาครับนะไม่ได้ดูที่ว่าหมดหรือเหลือหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ดูที่ตรงนั้นดูที่เวทนาหมายถึงว่ายังไงนะครับเวทนาเวนาคือวความหิวไม่ใช่ไม่ใช่แค่นั้นพูดงี้ดีกว่า เวทนาเก่าเนี่ยเราพูดถึงไม่ใช่แค่ความหิวแต่เรยังพูดถึงโรภคภัยไข้เจ็บที่เรามีอยู่ปัจจุบันเรารยังพูดถึงความอยากหรือว่าโหยในอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งอย่างเงี้สมมุติบางอย่างมันถูกท่ากับเราอย่างเงี้ยต้องเต็มต้องกินเออทีนี้พอเรากินเข้าไปแล้วจนกระทั่งมันมันเวทนาดับไปแล้วยังกินต่ออีกอย่างเงี้ยอ่าแสดงว่าคุณความอยากคุณไม่รู้จักสังเกตเวทนาล่ะอ๋อครับอแต่ไปอาจิตไปอยู่ที่ลิ้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องสอนให้ ให้มาหยุด ท, ท, ที่ตรงนี้คือคือทั้งหมดเนี่ยนะหมอรัฐพงศ์เราจะพูดทั้งเจ็วันนะเราจะมาพูดในรายการแค่ประมาณสิบนาทียีสิบนาทีมันก็ต้องอัดนิด น, นึงมันก็จะจะให้ได้ข้อมูลเท่าที่ให้ได้อนะครับอออืส่วนอีกข้อหนึ่งอย่างทุกคนเขวัดต่างๆเนี่ยก็ก็ทําบ้างนะอันนี้แล้วแต่สมัครใจอืเช่น อ, อย่างอย่างกินมื้อเดียวรัฐทาลมื้อเดียวอละยหลายคนก็สมัครใจที่จะทํา อืแล้วก็เรื่องที่ใช้ภาชนะเดียวอันนี้ก็ให้ทำทุกคนอืมตักทีเดียวคือถ้าลุกก็คือจบไม่ใช่ภาชนะเดียวคือใช้ภาชนะอันเดียวเป็นเป็นกระมังหม้อเงี้ยนะเหมือนบาดพระครับตักตักรวดเดียวจบมานั่งกินใช่ปนปนกันหมดแต่อาจจะตักหลายครั้งก็ได้ไม่ว่าอะไรอ๋อครับอันนี้ก็แล้วแต่คนอีกว่าเขาจะตักหรือไม่ตักอันนี้โอแล้วก็มีตู้ดวงควัดเรื่องนอนเรื่องอื่นๆที่ละเอียดละเอียดไป นะก็อย่างเช่นว่ า, าการพิจารณาสอนให้พิจารณาดูยังไงว่าเอ้จิตเราเป็นสมถะหรือจิตเราเป็นวิสัสนาไหนมากกว่ากันอย่างเงี้ยดูสมดุลแห่งจิตในเรื่องของสมถะวิปสนาอย่างไรเนี่ยครับดูยังไงครับท่านสอนตรงนี้ก็พูดคร่าวๆก็คือว่าถ้าจิตเรามันมีสมถะมากเนี่ยร เ, เราก็จะพระพุทธเจ้าบอกนะว่าสมาธินิมี้เนี่ยทํามากๆก็เป็นไปเพราะความเกียรครัน้รนะส่วนวิปสนานี่ ความเพียรนี่ทั้งมากๆก็เป็นไปเพื่อความฟุง้งซ่านแต่เพราะนั้นถ้าบางคนเนี่ยเป็นงนะี้นะนอนก็นอนคิดว่านอนเวียงนอนพอแล้วสี่ห้าชั่วโมงพอแล้วห้าชั่วโมงนี้ก็พอละครับนะกินก็ไม่ได้กินมากเนะี่ยแต่ทำไมยังง่วงนี่แหละนี่แหละนะคือทีน้ำมิถะครอบ ง, งําไงนอนก็นอนพอกินก็ไม่ได้กินมากแต่ยังง่วงแฮเนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งก็คือว่าคุณไม่ได้พิจารณานะคือว่าคุณมีสมรถะอยู่นะแต่ว่า ทำให้มีสมรถามากจกนกระทั่งว่ามันไปเป็นง่วงไปเราจึงต้องพิจารณาพิจารณาเนี่ยมันถึงใกล้ครวนแยากกายแยกจิตเห็นความเป็นธาตรเห็นความไม่เที่ยงพวกนี้ทั้งหมดเลยลก็จะตรงกับข้อ2ที่บอกท่านพระหมาหาโมคละนะว่าวิธีการที่คลายความง่วงว่าให้พิจารณาถึงธรรมต า, ามที่ตนได้สดับได้ยินฟังมาโดยพิสดาร น, นะครับอันนี้คือแสดงว่าสมร t เรามากเกินไป หรือว่าสมถะคุณก็ไม่มีเลยยังมีนิวรณอยู่ยังไม่ข้ามไปถึงสมถะด้วยซ้ําครับนิวรณ์ทีนัมิถะใช่ถ้าพูดถึงอันที่วิปัสสนาอันนี้ฟุ้งซ่านเลยทีนี้พอฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยเราเราจะดึงมันต้องดึงมาขากลับไงตรงที่ว่าคุณฟุ้งซ่านอยู่ๆปุ๊บคุณจะเบรกเหยียบเบรกพูดละเอียดหยุดเอียดแล้วก็ให้นิ่งไปเลยเนี่ยโอ้มันคืออรรถมาก็ทําไม่ได้อรรมาก็ทำไม่ได้เราทํายังไง ผู้เช่าบอกว่าให้ตั้งตนไว้ในอธิปัญญาธรรมวิปัสสนานั้นให้ตั้งตนเอาไว้ในอธิปัญญาธรรมวิปัสสนานั้นแล้วใช้ตรงนั้นเนี่ยทําสมถะให้เจริญขึ้นมาอมเอ๊ะหม Arri, ายเขาว่าไงหมายว่าฟุง้งซ่านนี้ ไ, <ง>ไม่ใช่อธิปัญญาธรรมวิปัสสนานนะ<ช>เป็นความค<ช>ิดฟุ้งซ่า น, นคือมันมากไปแล้วจนกระทัง่งมันกลายเป็นฟุ้งซ่า น, นไปเราก็ชะลอมันลงมานิดนึงให้เทนเนลกินจะคิดนูน่น น, น, น, นนี่นั่นเรื่องคนนั้นคนนู้นคนนี้เอามาคิดเรื่องที่มันไม่เที่ยงได้ไหมคิดเรื่องกายได้ไหมคิดเรื่อง ไอ้ธาตสี่ได้ไหมคิดเรื่องตับไตไส้พุงได้ไหมพอคิดตรงนี้เนี่ยแรกๆมันก็เป็นวิปัสสนึกแน่นอนเพราะว่าจิตเราไม่มีกําลังใช่ไหมทีนี้พอเราคิดไปเราผ่อนลงผ่อนลงผ่อนลงนะเพราะว่าคิดฟุง้งซ่านก็เป็นมาคิดเรื่องธรรมะคิดเรื่องธรรมะ เ, เสร็จปุ๊บเราพยายามตั้งตัวไว้ในตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราพยายามทําให้สมรดานี่เกิดขึ้นได้ๆนะพอทําสมรดากเกิดขึ้นแล้วปุ๊บโอ้พันพอดีกันพกคุณเห็นปุ๊บคุณปล่อยวางได้เลยอเพราะว่าความที่จิตมีกําลัง ความที่จิตมีกำลังครับอ่คือคือที่เรานึกนึกเอานึกนึกนกเอาเห็นแล้วก็กลัวด้วยซ้าบางคนอูเห็นกระดูกแล้วกลัวนะ<ช>ก็เพราะ<ช>ว่าความที่จิตเรามันไม่ไม่มีกำลังที่จะเห็นตามที่เป็นจริงได้จึงไม่สามารถน้อมเข้ามาสู่ตัวได้ว่าแม้ตัวเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้อย่างเงี้ยอันนี้ก<ช>็เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งแสดงว่าเราทาอันนี้มากเกินไปล้เพราะนั้นสีไม่ไม อ่าคือเรื่องสมถาวิปัสสนานี้พูดถึง 2, 2> ส่วนนี้ท่นเองครับครับอ่าเ <นะ S 1> พราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเรงาง่วงมันคุณไปพิจารณาเลยคุณพิจารณาแล้วเกิดกลัวปล่อยวางไม่ได้มันคุณมาทําให้สมถะเกิดขึ้นเลยและหรือเลยไปเป็นความฟุ้งซ่านนะเพราะทำสมถะนิ่งอย่างเดียวอ่า<ว>ง่วงอีกอ่ากลับไปพิจารณาพิจารณาเสร็จแล้วไปเลยไปฟุ้งซ่านไปอ่ากลับมาทําสมถะมันไปกันอย่างนี้บางทีในหนึ่งชั่วโมงที่นั่งเนี่ยทาอย่างเงี้10ิบกว่ารอบ อืมใช่ครับดึงไปดึงมาอ่าหรือบางคนทําแค่รอบเดียวสองรอบอันนี้ละตะกอนนะถามว่าใครบอกได้ตัวเองต้องรู้ว่าระจิตเองใช่ครับใช่จะจัดตังจะให้คนอื่นมาบอกไม่ได้นะถ้าคนเขารู้เขาบอกได้เนี่ยก็อยู่ช่วงเวลาที่เจอกันนะเขาก็ไม่ได้ตามคุณก็ไปในห้องน้ํารือตามไปในฝันหรือไม่ได้ตามกลับบ้านไปด้วยแต่อยู่เฉพาะตรงนั้นตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่จะดูแลจิตเราได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองตัวเราเองครับอันนี้เป็นต้นนะนะ แล้วอาตมาเนี่ยมีความดีใจมากๆเลยเขาเรียกว่า looking forward ที่จะเจอบุคคลเหล่านี้นนั้เพราะว่าเพราะบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่มีชาติอาชาในนึกไหมคือไม่ใช่ขี้หมูขี้หมามาแล้วก็หลงๆมาเพื่อนชวนมามาอะไรไม่ใช่งั้นใช่ครับแต่เป็นคนที่มีความคุ้นเคยมีความเคยชินกับรูปแบบการปฏิบัติอย่างนี้แล้วครับแล้วก็มีความตั้งใจมันถ้าเปรียบเทียบนั้นก็เหมือนกับ นักรบก็ไม่ใช่ทหารเลวละนะเป็นทหารชั้นระดับขุนพลเป็นชั้นระดับขุนนางกองเป็นหัวกะทิที่จะสู้รบกับกิเลส ล, ละครับนคือแบบเวลาเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยไม่มีใครมาสายแล้วทุกคนเตรียมพร้อมนั่งนิ่งฟังเงี่ยวโสดลงฟังว่าจะมีธรรมะใดๆมันแบมันมันมันดีมากๆนะหมอหลวงพ่อเรียกว่าใช่ครับเป็นหัวกะทิจริงๆนะครับอากมาตื่นเต้นเลยล่ะตื่นเต้นเลยแบบว่า แหมรอคอยที่จะในหลักสูตรนี้จริงๆเรียกว่ามีความโอ้สัตยทาที่จะศึกษาเต็มเต็มที่เลยนะครับแล้วก็มันก็ไม่ต้องพูดกันมากแล้วทุกอย่างก็ทราบกันแล้วว่าอะไรเป็นยังไงทุกคนก็ครับค่อนข้างที่จะรู้กฎระเบียบดีมันก็จึงเป็นเป็นหลักสูตรที่ที่ดีมากนะโอ้สาธุเลยครับท่านจำนวนมากไหมครับในคอสก็พอดีเลยผู้หญิง ผู้หญิงเขาหลายเจ็ดสิบผู้ชายสิบแปดก็คือปกติเราก็ <88. S 1> จะไม่ให้เกินเก้าสิบใช่ครับนี่ที่ผ่านๆมามันทะลุไปเป็นร้อยก็เลยเป็นร้อยแล้วนะครับก็เลย <c oughs> ก็เลยมากคนนึงแตว่าไม่เป็นไรก็ยังรับได้นะแต่ว่าตอนนี้เราก็คือกลับมาที่พอดีของเรานะคือประมาณเก้าสิบครับเพราะนั้นในหลักสูตรคนเก่าเนี่ยก็จึงเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าเรื่องอะไรต่างๆที่เราอาจจะพูดไม่ทันในหลักสูตรธรรมดา แเราก็มาพูดในหลักสูตรนี้อนะคือแต่ไม่ใช่ว่าเอเราคนที่ไม่ได้มีโอกาสมาจตุเมนจะต้องมาหรือเปล่าก็ไม่จําเป็นนะเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมรรพงษ์มันพิเศษอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าคุณปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปในพวกนี้มันรู้มันเห็นได้ด้วยตัวเองอืมเป็นไ <นะ S 1> ปจากตังใช่คือธรรมะของพระเจ้ารู้แค่เท่าไหร่บทเดียวนะบทเดียว<ช>พอ ค, คุณก็มารูุได้เหมือนกันนะครับ เพราะไอ้ที่อื่นๆเนี่ยมันมาจากอะไรก็มาจากบทเดียวนั่นแหละแล้วทํายังไงคุณทํำบ่อยๆทําให้มากๆทําให้บ่อยๆทําทซ้ําๆทําย้ํำๆทำําทอยู่นั่นแหละแล้วยัง อ, อยงอื่นอย่างอื่นอย่างอื่นและอย่างอื่นเนี่ยมันก็มามามามาม า, ม า, มาให้หมดครับเนอะคือ <c oughs> อันนี้เหมือนกับ เ, เราเเฉลิมมาบอกอ่ะครับอือใช่ครับ <c oughs> <c oughs> มันก็เป็นเป็นลักษณะนี้นะว่าเออมันก็เป็นหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่งนะที่ที่มีเฉพาะคนเก่าอื แล้วก็เวลาเราอยู่ในหลักสูตรนี้เราก็เนื้อหาต่างๆก็จะค่อนข้าลึกซึ้งลึกซึ้งมากขึ้นมีความละเอียดมากขึ้นเรื่องลมหายใจนี่เราไม่ต้องพูดถึงก็แล้วนมาถึงก็ฟาดกันเลยใส่กันเลยว่างนั้นเลแล้วฝั่งของพระอาจารย์ที่เป็นผู้ให้ธรรมะผู้สอนเนี่ยตรงนี้ผลผลทางด้านนี่หลวงพ่อนะพอถึงวันแรกปุ๊บนะ วันที่หนึ่งวันที่เริ่มวันที่เดินทางมาเนี่ยเทศเลยเทศเรื่องวิปัสนาเลยอ๋อเทศเรื่องถึงมรรคผลนิพพานถึงอริยบุคคลสีขั้นต่างๆนี่เลยทั้งที่ไม่เคยพูดเรื่องนี้ถ้าเป็นคนใหม่นี่จะพูดเรื่องนี้ไม่ได้เลยลองแค่ว่าทําจิตให้สงบก่อนก็พอละค้ายๆตะล่อมกันอันนี้แบบพัวเลยเรียกว่าโอ้โหเนื้อหาเข้มข้นใส่กันเลยล่ะฟันนึงเลยครับสาธุครับนั่นแหละนะมันก็เป็นสิ่งที่เออเป็น เป็นอีกอย่า ง, งาเลยก้าวหน้านะครับผมมองว่าเป็นความก้าวหน้าในเชิงปฏิบัติจริงๆเลยว่าเราก็มีเหมือนกับถ้าเทียบทางโลกก็คือปริญญาเอกนาพ อ, อปกติก็เปียตรีคือตรงนี้ต้องต้องบอกอย่างนี้ว่า <c oughs> คือไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมาเข้าคอร์สนี้น ะ, ะคือมันก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่จะต้องจําเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยน ะ, ะคือโดยปกติเนี่ยถ้าเรามาเข้าหลีกเลนอยู่ในหลักสูตรปกติเนี่ยมันก็ได้อยู่แล้ว แล้วมันก็เข้มข้นอยู่แล้วเราทําเป็นประจําอยู่แล้วมันก็ได้อยู่แล้วนะอันนี้เรากําลังพูดถึงว่าเออเรามีช่องว่างตรงนี้เราก็เลยทําตรงนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยตัวเองเราทําได้ไหมทําได้ถ้าเราทำซ้าๆย้ำๆบ่อยๆอยู่เรื่อยยางตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยไอความ ร, รู้ต่างๆเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันครับในลักษณะนี้นะครับโอ้ต้องต้องอนุโมทนากับพระอาจารย์แล้วก็ผู้ปฏิบัติทุกท่านเลยนะครับฟังแล้ว อิ่มอกอิ่มใจไปด้วยคือเราเห็นคน ท, <S <S ที่ที่มีความที่ที่เหมือนกับพระพุทธเจ้าเคยบอกท่านพระ อ, นอะานอนท์ท่านพระอานนเคยคุยกับพระพุทธเจ้านะว่าแม้ตอนที่พระเจ้าอยู่เนี่ยนะคือตอนนั้นพระพุทธเจ้าป ร, รินิพานจะป ร, ะรินิพานละนอนอยู่บนเตียงสีอาสียาละนะอยู่ระหว่างต้นสาระคู่เนี่ยก็บอกถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าโอ้ยเวลาที่พระพเจ้าอยู่เนี่ยนะก็เจอภิกษุที่น่าจเจริญใจมาจากทิศนู้นทิศนี้ก็มากราบมาพูดคุยกับพระเจ้า นะครับพระองค์ก็ได้พบภิกษุที่น่าจเจริญใจเหล่านั้นนะเพราะว่าความที่มีพระเจ้าอยู่นี้พอพระเจ้าไม่อยู่แล้วจะทําไงดีนะพระเจ้าก็พูดถึงสังเวชนียสถานสีใช่ไหมครับตรงนี้เป็นประเด็นที่ทําให้เรามองว่าโห้มันมีภิกษุผู้น่าจเจริญใจคือบางคนไปทำความเพียรบรรลุอรหัตผลแล้วมาเล่าให้พระเจ้าฟังว่าเป็นอย่างนี้นี้แม่มันเห็นแล้วน่าจเจริญใจไงแตว่าบุคคลพวกนี้เป็นบุคคลที่ไม่เหลวไหลเลยเป็นบุคคลคที่ควรยกย่องเป็นบุคคลที่ เป็นอาชาไหนนะเป็นอาชาไหนมีชาติอาชาไหนมีความเพ่งในการอย่างสัตว์อาชาไหยครับอ่าก็คือคือมันไม่เหมือนกับคนที่ยังไม่ได้รับการฝึกนะทั่วไปอ่เดี๋ยวตีละครั้งพักพักเก้งมันรีบออกไปก่อนอตีละครั้งเขาเรียกเข้ามายังไม่มาอีกอย่างเงี้ยเห็นแก่พักแก่พรแก่เน็แก่เนพวกนี้ไม่เป็นอืมพวกนี้นี่ถึงเวลาพรึบพึบเต็มเลยพร้อมแบบว่า ตบเท้าคือถ้าเรียกก็คือเหมือนกับตรวจพลนสวนสนามแล้วพิ่มมาเลยอย่างเงี้ยแม่มันเราพร้อมลบจริงๆเราพร้อมลบจริงๆแต่มามีความตื่นเต้นในในในกรณีนี้มากอืมอืครับที่ได้เจอบุคคลที่น่าเจริญใจอย่างเงี้ว่างนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลน่าเจริญใจแล้วก็อน้อมอุทนาด้วยครับเช่นกันครับน้อมอทนาเช่นกันครับแล้วเราก็มีความสบายใจอะแต่มามองไปทางไหนเราก็สบายใจแล้วเราก็สบายใจคือ คือจะไม่เหมือนกับเราจะไม่ต้องกังวลว่าใครจะคุยไหมความเป็นอยู่เขาจะสบายดีไหมเขาจะเคยกับอาหารไหมเขาจะอยู่ได้ไหมจะกลัวหรือเปล่าจะดูลมหายใจได้ไหมว่าเราจะเป็นคอยที่จะต้องคอยสอดส่องดูแลพวกนี้แต่พอพวกนี้มาปุ๊บความกังวลเหล่านี้เราไม่มีคือจะเรียกว่าเป็นความกังวลก็ไม่ใช่หรอกเป็นความเป็นห่วงเป็นใยที่เราจะต้องคอยสอดส่องดูแลครับนะคือคือคือพอเรานึกถึงใครแล้ว เราลองลอานึกถึงบางคนนะบางคนเนี่ยคนนั้นถ้าเรานึกถึงแล้วเนี่ยจะมีความเจริญใจโอ้คนนั้นดีอืมแต่ถ้าคนไหนเรานึกถึงแล้วจะมีความกังวลใจโอ้ยมันทําให้เราปวดใจนะใช่ครับคนเดียวที่เรานึกถึงแล้วจะมีความกังวลใจไอ้คนจะไปรอดไหมมันจะอยู่ยังไงมันจะกินอะไรใช่ครับมันจะมีความกังวลนะอืจริงๆครับความกังวลก็เป็นกิเลสอ่อนๆหนึ่งเป็นเป็นนิวรอย่างหนึ่งครับ แต่ถ้าเราเห็นบุคคลที่น่าเจริญใจนี่แหละน่าพบน่าเห็นน่าควรจะเข้าไปดูอครับมามีความตื่นเต้นว่างั้นก็เลยครับมีความร่าเริงว่างั้นดีกว่าถ้าจะใช้บทเรียนในครับครัมไปมาแบ่งปันนี้กับท่านผู้ฟังด้วย่ครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่เราพูดในวันนี้ครับเรื่องที่สองที่เราจะพูดก็คือเรื่องของความกลัวต่อจากเมื่อตอนที่แปดสิบสองและแปดสิบสาม ใช่ครับได้พูดถึงความกลัวไปใช่ครับทีนี้พอพูดถึงความกลัวแล้วก็มีท่านที่ถามมาว่าเอาถ้ากลัวแล้วก็ต้องผีสิพูดถึงเรื่องผีอ่ายิดฮิายอดฮิตเลยผีคืออะไรอย่างเงี้ยผีคืออะไรครับไม่ทำหมอรูปองไหนยนําหมอนรูปองเคยเห็นไหมผมไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็นเลยเนาะครับก็เห็นอยู่ที่ที่เขาอยู่ตามทีวีอย่างเงี้ยนะอ๋อก็เห็นอย่างมากที่สุดก็เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตอนเรียนสมัยเรียนนักศึกษาแพทย์ก็เจอศพพาตัดศพ อะไรเงี้ยครับก็ไม่เคยเห็นผีเนอะก็คือศพแต่ไม่เห็นผีครับผีเห็นแต่ในทีวีที่เขาทําออกมาเองครับลอยตุ๊บปองลอยเหมือนมนุษย์ต่างดาวก็เหมือนกันเราก็ไม่เคยเห็นมนุษย์ต่างดาวนะเห็นแต่ที่อยู่ในตามทีวีที่เขาทําให้ดูมนุษย์ต่างดาวหน้าตาเป็นยังไงเอทีอะไรเงี้ยเอออะไรเป็นอย่างไงครับทีนี้ผู้เช่าพูดเรื่องพวกนี้ว่าอย่างไงอือเป็นไงมั้งครับเออเอาภาษาบาลีนะภาษาบาลีที่ผู้เช่าใช้ก็คือคำว่าอามนุษย์ไม่ใช่มนุษย์อามนุษย์ ทีนี้อมรุนคืออะไรอ่ะโอ้มันหลายอย่างนะอคืออะไรที่ไม่ใช่มนุษย์อะไรบ้างสัตว์เดรัจฉานเป็นอมรุษไหมเป็นนะใช่ครับเทวดาเป็นอมรุษไหมเป็นนะใช่ครับเออทีนี้ถามว่าอมรุนก็กินความหลายอย่างทีนเราพูดถึงตรงนี้ดีกว่าเอาเรื่องเหตุผลที่พูดพูดกันครับคือว่าสัตว์ที่อยู่ในพบอื่นๆนอกจากมนุษย์เนี่ยมีไหมน่าจะมีครับเราเห็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมเราเห็นแมลงเราเห็นปลาเราเห็นพวกนี้เออมันมีนะ ที่นอกจากมนุษย์มันมีแต่เพราะนั้นอะไรอย่างจุลินทรีย์อย่างเงี้ยบางตัวเราไม่เห็นต้องใช้แว่นขยายหรือกล้องจุลทรรศน์กล้องจุลทรรศน์เอสแต่เราไม่เห็นมันนะแต่มันมีอยู่แลเพราะฉะนั้นสิ่งอื่นๆที่เราไม่เห็นแต่มันมีอยู่มีมีแน่นอนอากาศมีสิ่งมีชีวิตไหมโอ๊ยแมลงตัวเล็กๆบางทีเรามองด้วยสายตาเปล่าไม่เห็นก็มีนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานใชสิ่งอื่นๆที่เรามองด้วยสายตาเปล่าไม่เห็นแต่มีอยู่มีถามว่าพระเจ้าพยากรณ์เรื่องนี้ว่ายังไงพระเจ้าไม่พูดถึงงเลยรกั่จนะท มีพระมหาโมคลานะมาช่วยรับรองคือมีครั้งหนึ่งพระมหาโมคลานะเนี่ยเป็นผู้มีฤทธิ์มากใช่ไหมใช่ครับท่านก็ไปเห็นอสูรกายตัวหนึ่งโอ้หน้าตามันเป็นอย่างนี้อัปลักษม์มากเลยก็เลยมาเล่าให้พระเจ้าฟังรพระเจ้าก็บอกว่าโอ้ดีแล้วดีแล้วโมคลานะเราเนี่ยก็เห็นมาแล้วเห็นไะอ้ตัวเนี้ยแหละณนะสถานที่นี้เหมือนกันนะแต่เรามไม่ได้พูดเพราะว่าไม่มีใครมารับรองคําพูดของเราได้ดีล่ะเธอมารับรองคําพูดของเราเราจะอธิบายให้ฟัง นะก็เลยอธิบายร่ายยาวเลยเหมอละทงว่าตัวนี้มันเชื่ออะไรมันมีบุปกรรมมาอย่างไรทําไมก็ถึงมาอยู่ที่นี่จะมีอายุเท่าไหร่และมีอาหารยังไงมีความเป็นอยู่ยังไงสุขทุกอย่างไรแล้วทําอะไรต่อไปจะเป็นอย่างนี้โอ้อธิบายละเอียดเลยน ะ, ะท่านพระหมาโมกละนะก็ไม่ทราบก็ต้องมาถามพูะเจ้าอย่างนี้นะเรื่องนี้แค่แค่เรื่องเดียวยังมีพบอื่นสัตว์อื่นเทวดาสัตว์นรกนะเปรตอสูรกายพวกนี้ยพระเหมาโมกละมาถามถามถามถามพูะเจาร่าร่ายร่ายร่า ย, า, ย, า, ย, า, ยาวออกมาเพราะมีคนรับรอก ครับอ่าเพราะฉะนั้นถามว่าผีเนี่ยก็คือเอาพูดง่ายๆก่อนก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องผีนะว่าสิ่งมีชีวิตอื่นที่นอกเหนือจากมนุษย์เนี่ยมีอยู่มีครับคุณมีเครื่องรู้ไหมคุณมีตาที่จะเห็นได้ไหมครับถ้าคนมีตาก็เห็นได้ครับถ้าคนไม่มีตาก็ไม่รู้ตานี่ไม่ไม่ตานี่ยตาเครื่องรู้ธรรมดาหรือว่าตาตาความรู้ไงความรู้ตาไหนที่เราจะรู้ได้ ถ้าคนทั่วไปก็คงไม่มีครับมีแต่ตาเนื้อทีนี้บางทีมันมันเห็นได้เป็นกรณีกรณีอ๋อครับอย่างเช่นว่าบางคนมีโปรกรมมาร่วมกันคุณเห็นคนนี้ได้แต่ไม่เห็นคนอื่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็ก็เคยเกิดขึ้นแล้วเหมือนกันเห็นได้เฉพาะญาติเงี้ยญาติไม่ญาติไม่เห็นอย่างเงี้ยก็มีครับผู้ที่มีความผูกพันกันแม่ลูกพ่อลูกอย่างงี้ครับใช่เพราะนั้นเพราะนั้นที่บอกคุณเห็นผีเห็นผีนี่จริงๆมันมันจะเรียกว่าอะไรล่ะมันไม่รู้คือจริงๆผีเนี่ยนะ แล้วเรามาดูการใช้คําตรงนี้จริงๆเนี่ยนะเรามาเราจะพบว่าอะไรที่คุณไม่รู้จักมันและคุณกลัวเนี่ยคุณใส่เลเบลไว้ก่อนละผีอืมเช่นกิ่งไม้ตกลงมาก็ผีอแต่เราไม่เห็นนะมันมืดๆนะเราไม่รู้ว่ามันเป็นกิ่งไม้หรือมันเป็นอะไรหรือมันเป็นกบกระโดดผีแน่นอนวิ่งก่อนเลยเพราะคุณไม่รู้เพราะคุณไม่รู้คุณจึงแปะเลเบลมันนยแปะว่ามันเป็นผีอืมครับเพราะเราไม่รู้ไง ผีเน<พ>ี่ยจริงๆคือความกลัวนั่นแหละคุณกลัวอะไรที่คุณไม่รู้คุณเรียกมันว่าผีหมดเลยแต่เราดันไปพุ่งภายนอกว่ามันเป็นผีมันเป็นอยู่ข้างนอกจริงๆผีอยู่ข้างใน<อ>พูดใหม่จริงๆความกลัวอยู่ข้างในรเราจรึงเ้าเรียกว่ายกยกเอาผีเนี่ยมาเป็นแพะเอาผีมาเป็นแพะของความกลัวของเราเดี๋ยวนี้ก็มีสอนวิชาแพะใช่ไหมมรอธิมาไปที่ไหนไม่รู้ได้เปิดเพลงดัง วิชาแพะเป็นวิช า, ชาที่ไม่ได้<พ>สอนน่าจะสอนอยู่ในเมืองไทยอะไรเนี่ยนะครับเอาผีมาเป็นแพะรับบาปความกลัวของตัวเองอไม่ได้ไม่ได้ไม่ควรทำครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรา เ, อาเจอผีมันไม่ใช่ผีหรอกมันก็เป็นสัตว์อยู่ในสังสารวัตสักอย่างใดอย่างหนึ่ง ค, คุณมีเครื่องรู้คุณจึงเห็นถ้าคุณรู้ดูเข้าไปให้มันถึงที่สุดเนี่ยจะพบว่า เขามีอาหารอย่างไรมีความเป็นอยู่อย่างไรเขาต้องการอะไรเขามาทําไมเขามีโปรแกรมอย่างไรเราก็จะทราบก็ต้องไม่ต้องกลัวในอย่างพระอารัตนเนี่ยเป็นผู้ที่มีขนอันตกสนิทแล้วนะมากวม่าไม่มีขนพองนะไม่มีขนพองคือไม่มีขนลูกสู้อ๋อไม่กลัวไม่กลัวบ้างเถอะครับทีนี้ไม่กลัวแล้วทํำไมถึงไม่กลัวนะพระอรรนบางรูปก็เห็นบางรูปก็ไม่เห็นนะครับเห็นเนี่ยหมายถึงว่่่าาเเเอมีีรรรืงู้พิศษในนกทจะห็ แ<น>บางรูปก็ไม่มีเรื่องรู้พิเศษนี้แต่ถามว่าความไม่กลัวเนี่ยเกิดจากการที่รู้หมดหมดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีสภาพเหมือนกันคือสภาพที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เหมือนกันอครับจึงไม่มีอะไรที่ต้องกลัวครับ อ, อยู่เช่นอนิจจ<ช>ังทุกขั ง, งอนัตตาเหมือนกันใช่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์มันก็จึงไม่กลัวแล้วก็เป็นคนที่เอาความกลัวออกจากจิตแล้วเพราะนั่นผีในจิตของท่านเนี่ยไม่มี อผ oh. ีคือความกลัวในจิตของท่านไม่มีเพราะเรารไม่ต้องพูดถึงข้างนอกเลยเมื่อเอาความรักออกไปแล้วเนี่ยความโศกก็ไม่มีแล้วความกลัวจะมีมาแต่ไหนเล่าอันนี้จริงครับเป็นหลักแห่งความจริงเนี่ยจริงที่กลัวคุณกลัวคุณกลัวคุณกลัวตายคุณกลัวถูกหลอกคุณกลัวตกใจคนส่วนใหญ่เนะี่ยกลัวตกใจกลัวแบบ ต, ตื่นเต้นเออตื่นเต้นตกใจนิดนิดหน่อยชอบแต่ถ้ามากๆแล้วเดี๋ยวกลัวหัวใจ <สน S 1> ตกไปที่สุงกลัวไง ด้วยความกลัวกลัวใจวายจึงเรียกพวกนั้นว่าผีไปหมดเลยอืมผีเป็นแพกลัวหัวใจวายกลัวอะไรต่างๆนานากลัวไปหมดน่ะครับก็เลยไปเรียกสิ่งที่เรากลัวว่าผีีอ่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรหรอกบางทีเป็นคนปลอมมาเป็นผีะเรื่องเคยมีมาแล้วในสมัยตรงเนี้ยสามย่านสมัยสามย่านตอนนู้นน่ะก่อนที่เขาจะมาทําอะไรที่เป็นเรียกเเป็นียบร้อยเป็นเรื่องเป็ราวอย่างนี้นะ มีบ้านร้างอีกแถวหนึ่งตรงนั้น้วก็มีคนบอกว่าบ้านนี้ผีดูมากผีดูมากจริงๆแล้วก็คนกลัวมากเลยกลางคืนนี้ไม่เดินผ่านกันไม่ได้เลยนะมีเรื่องเล่าเรื่องราวต่างๆกันเยอะแยะไปหมดบ้านหลังนี้นะทีนี้พอมีอยู่มาวันหนึ่งคนเขาตำรวจเขาก็ตามผู้ร้ายที่ชกชิงวิ่งลาวเนี่ยวิ่งเข้าไปในบ้านหลังนี้นะเข้าไปก็ไปพบรังโจร น, นะมีโจรอยู่4ี่ห้าคน พร้อมอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นผ้าคลุมเป็นหน้ากากอะไรที่ทําให้เหมือนหลอกเป็นผีอ oh. แต่จริงๆเป็นที่อยู่ของโจรเป็นรังโจรที่เป็นกลูเรื่องเป็นผีขึ้นมาเพื่อให้คนเข้ามาที่นี่ะ oh. ซึ่ง oh. ตํารวจคนที่เข้าไปนั่นนะเผอิญว่าเพิ่งย้ายมาไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ oh. ก็เลยตามเข้าไป oh. ก็เลยพบรังโจรบดีอื oh. มันก็เป็นเรื่องที่เรากลัวเราก็อุปโตกเหขึ้นมาเองบางคนนะ oh. ไม่ได้มีอะไรเลยเอาผีมาหลอกตัวเอง จริงครับเยอะเลยครับผีอยู่ข้างในครับอยู่ในจิตครับกลัวครับแล้วแปลกนะครับคนที่กลัวผีเนี่ยคนไทยนียครับชอบดูหนังผีอะไรไม่รู้ปลาดไหมหนังผีเลยขายได้ขายดิบขายดีครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องหนังผีมารวมกับเรื่องตลกเลยนะครับอม่กลายเป็นอย่างนั้นไปอ้าวนี่คือเราพูดถึงเรื่องผีแะจริงๆถ้าเราจะบอกว่าผีไม่มีจริงอะไรมันก็จะไม่พูดหรอกเราพูดไม่ได้ นะคือผีมีแน่นอนคือความกลัวถ้าเราบอกผีคือความกลัวความกลัวมีแน่นอนของบุคคลที่ยังมีใจไม่ไปปราดแล้วแต่ก็ยังมีใจยังมีกิเลสอยู่คุณยังมีความกลัวแน่นอนยังมีผีอยู่ในใจแน่นอนครับแต่ถ้าเราพูดถึงผีที่เป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งเป็นภพภูมิอย่างหนึ่งจริงๆเราไม่ได้เรียกเขาว่าผีหรอกเขาจะเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นอยู่ในชั้นต่างๆบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างหรือเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้แน่นอนมีครับ และอย่างในทางปฏิบัติสมมุติว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยมาทําร้ายเราหรือมาทําไม่ดีกับเราได้ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่คนกลัวเป็นได้ขีดคอก็จะมาโอ้มาทำให้เราขอบ้านอย่างเงี้ยเอาอย่างแค่ว่าโจรเขายังมาแทงเราได้ยังมนุษย์ด้วยกันยังทําร้ายมนุษย์ด้วยกันได้จะไปพูดถึงอะไรกับคนอื่นนะสัตว์เดรัจฉานมันยังกัดเราได้นะความเบียดเบียนเนี่ยมีกันทุกชนชั้นทุกหย่อมหญ้าในสังสารวัตนี้มรพงษ์ ถ้าคุณยังไม่หลุดจากสังสารวัตินะความเบียดเบียนมีแน่นอนโอครับยกเว้นยกเว้นเทพในพวกสุภกินหาก็จะไม่เบีดเบียนกันอืมอางนี้เราควรตั้งอย่าไปพูดถึงเลยตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแม้แต่เทวดาชั้นดาวดึงก็ยังเบียดเบียนกันมีสงครามกันเทวดาอื่นๆก็ยังมีระบบของมารระบบของเทวดา นะมนุษย์ ก, น ก, ก, กนันคนที่มีกําลังมากกว่าเบียดเบียนคนที่มีกําลังน้อยกว่าเราจะไปพูดถึงอะไรหมาห่วงลูกมันยังกัดคนเลี้ยงได้จริงครับอืมอืมมันมันมีแน่นอนถ้ามันจะมาแกล้งเราได้ออเพราะฉะนั้นเราควรจะตั้งจิตหรือว่ากระทําอย่างไรใ น, ใ, นรให้ให้มีเมตตานะ<อ>จิตที่มีเมตตาเจริญเมตเมตาอยู่แล้วมาก่อนเนะจริญได้ตาอยู่แล้วมาก่อนไปถึงคุณทํามาก่อนแล้วนะ <ภ>ทำอยู่เป็นปกติทําให้มากทำให้บอ่อยทำให้เจริญทำให้เป็นเหมือนยานเครื่องนำไปทําให้เป็นเหมือนที่ตั้งเครื่องอาศัยได้เนี่ยนะครับแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นน ะ, ะมนุษย์ก็จะไม่ทําร้ายออมนุษย์ให้มีบนุษย์ก็จะไม่ทาําร้นะายละสัตราก็ตามยาพิษก็ตามอาวุธก็ตามจะมาโดนเรามันก็แคล้วคล่าไปเป็นอย่างอื่นอย่างนี้เนี่ยคืออันนี้ส่งของเมตตาครับที่มีเราสวดๆกันอันนี้ส่งของเมตตาการแผ่เมตตาก็จะมียาใช่สิเป็นยา อืเพราะนั้นเราไม่ต้องกลัวเลยว่าถ้าเขาจะมาทําร้ายคือเขาทําร้ายแน่นอนครับือถ้าคนมันจะทําร้ายเรานะยุง่ง ม, มันยังมากัดพระอรหันต์ได้เลยหมอธนพงศ์ออจริงครับแล้วไปนับอะไรกับผีมันจะมันใครจะไม่มาทาําร้ายลราก็มีเราก็มีเมตตาเนั่ยแหละนะคนชั่วคนดีเราก็มีความรักความเมตตาให้เขาแล้วเขาจะด่าเราบ้างเบียดเบียนเราบ้างก็ไม่มีอะไรมันเป็นระบบของสังสารวัตรทำใจให้สบาย เราเราอยู่สบายสบายมีจิตเมตตาล้วก็ให้อเลือดเราก็ให้คุณยังไปให้เลือดทุกสามเดือนใช่ไหมแล้วให้เลือดกระยุงทําไมให้ไม่ได้อนิดเดียวไม่พอหยดเลยครับอืมอเหตนั้นก็คือแผ่เมตตาในทุกถูกสมมติว่าเรามีความกลัวแล้วก็ใช้การแผ่เมตตาเนี่ยเข้ามาใช่อืใช่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเมตตาอะไรต่างๆเนี่ยเอเราไม่ต้องกลัวหรอกผี ไม่มีจริงมันไม่ได้เป็นตัวตนอะไรคื อ, อ, อันนี้ข้อที่สามนะขอ้อที่หนึ่งที่ว่าถ้าผีเป็นเป็นแบบความกลัวอันนี้ก็ต้องบอกว่ามีนะถ้าผีในในยะที่ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นๆนันก็เป็นแค่สิ่งมีชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งในพวกอื่นอในยะที่สามจะบอกว่าผีในมีตัวมีตนไหมไม่มีอะไรเป็นอัตตาหรอกมาแล้วพงศ์ทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดครับนะอันนี้เราพูดถึงตัวตัวผีที่จับเนื้อจับต้องได้นะครับ ม, มันก็ไม่ใช่ตัว เป็นอนัตเป็นอัตตามันก็เป็นอนัตตาอยู่เหมือนกันเพราะมันก็ไม่ใช่ตัวตนที่เราจะไปเข้าไปยึดถือได้ครับอืมนี่อันนี้ก็เป็นภาคพิเดีครับเพราะว่าเพิ่มเติมมาจากเรื่องความกลัวนะครับเพราะมันจะเชื่อมโยงกันอืออเอาต่อไปครับนี้เป็นเรื่องสุดท้ายที่เรจะพูดในวันนี้คือเรื่องของคําถามของคุณจรีครับคือคุณจรีท่านสงสัยว่าในเรื่องของการทําบุญนะครับที่บอกว่า พระอาจารย์เคยบอกว่าทําบุญเนี่ยทำมากทาน้อยก็พยายามทําทําให้ครบใช่นี่คุณจลีก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะอย่างนี้คือกรณีอย่างในเมืองไทยเราก็จะมีทําบุญหลายแบบอย่างเช่นสร้างพระราหูหรือสร้างพระที่มีเศียรเป็นหัวช้างคุณจลีก็ตอบปฏิเสธไปก็ไม่ทราบว่าถูกหรือผิดนี่ไง<ก>แสดงว่าการแนะนำคราวที่แล้วเราพูดไว้ก่อนแล้วเราเราเราได้พูดไปตั้งแต่ก่อนแรกเลยว่าต้องมีเนื้อนาบุญแล้วนะ ต้องมีเนื้อหนาบุญคุณถึงคิดจะทําครั บ, ค, รบคือถ้าเราเห็นเนื้อนาบุญยังไงคุณต้องควักยังไงคุณต้องทํายังไงคุณต้องบริการยังไงคุณต้องถามปัญหาเพื่อจะให้ทานสินสมาธิปัญญาเกิดนะเนี่ยอนะทีนี้ถ้าเราไม่เจอเนื้อนาบุญแล้วคุณจะไปทํำทำไมคือเหมือนพ่อค้าวานิชผู้ชาวยกตัวอย่างนี้พ่อค้าวานิชเก็บทรัพย์สมบัติของตัวเองไว้เพื่อไปขายในที่ที่มีกําไรย่อมได้กําไรมาก คือของถูกๆเขาไม่ขายเขาไม่ขายในที่ที่มันจะได้กําไรน้อยเขาไปขายในที่ที่ได้กําไรมากเพราะฉะนั้นทานเรามีอยู่เนี่ยเราเก็บเอาไว้เราอดเอาไว้เราอดทนเอาไว้ไปทําในที่ที่ได้อันนี้ส่งมากอันนี้ทำไมจะไม่ถูกพระเจ้าแ น, นะนาไม่ทําเป็นสัตว์บรุษให้ทานต้องรู้จักเลือกอมไม่เบียดเบียนใครนะแล้วถามว่าคุณจรีต้องพิจารณาดูสิว่าอันเนี้ยมันเป็นเนื้อนาบุญไห ม, มคุณให้ครวนตามเหตุปัจจัยที่พระเจ้าพูดถึงสามอย่างราคะโทสะโมหะเป็นบุคคลไหมหรือเป็นอะไร แตถ้าเป็นต้นไม้ก็เหมือนกับเอาไปให้ผีเปรตผู้ผิดเปรตแตถ้าเป็นคนที่ตายไปแล้วก็เหมือนกับเอาไปให้เปรตอย่างเงี้ยมันจะได้บุญเท่ากันตรงนั้นแต่ถ้าเป็นตัวคนเป็นๆจริงๆเอาก็มีศีลไหมมีสมาธิไหมมีปัญญาไหมอันนี้จะเป็นเรื่องวัดว่ามีราคาโทสะโมหะมากหรือน้อยอันนั้นจะเป็นเนื้อนาบุญครับนั้นนี่คือพูดถึงกรณีที่ว่าให้เนี่ยให้ทานเนี่ยกรณีที่เจอเนื้อนาบุญเท่านั้น เพราะนั้นถามว่าเลือกได้ไหมคำตอบคือได้ต้องเลือกไงต้องเลือกเนื้อนาบุญครับมีข้อพิจารณาสีสมาธิปัญญาคมันมันต้องครบนะคือหมายความว่านี่ที่เธอบอกว่าทำบุญทําบุญเนี่ยนะหมอระพงต่อมาต้องย้าอีกครั้งนึงคือไม่ใช่ว่าให้แต่เงินนะเงินหนีพิกูรรับไม่ได้อยู่แล้วหรือ<ช>ว่าให้ิสมณะของที่ควรแก่สมณะจะบริโภคนะมันมันก็ไม่ใช่แค่นั้นเราพูดถึงการไต่ถามปัญหาเราพูดถึงการสอบถามเรื่องศีลเรื่องการภาวนา ว่าจะทำให้เราได้ได้ตรงนี้มากอืมีอันนี้สงฆ์มากกว่าวัตถุด้วยใช่ไหมครับใช่ทีนี้ประเด็นที่คุณจริีพูดถึงว่าปฏิเสธไปจะได้หรือไม่นะอันนี้คือเราจะปฏิเสธหรือจะไม่ปฏิเสธเนี่ยเราก็ต้องดูสถานการณ์ตรงนั้นนะนะอว่าถ้าการกระทําของเราเนี่ยจะทําให้เกิดสิ่งที่เป็นอกุศลขึ้นในหมู่คนนั้นเราก็อย่าท<อ>ําเราควรเราควรจะเราควรจะหลีกเลี่ยงการปฏิเสธ ด้วยการให้บ้างอย่างนี้ก็ได้ออหรือ<ช>ว่า<ช>ถ้าถ้าปริเสธไปแล้วไม่เป็นไรเราจะปริเสตก็ได้อืเช่นอะไรบาง อ, อย่างเช่นถ้าเพื่อเกิดความสมรูคีในหมู่คณะเช่นพิเออแบบว่าให้แล้วหมายว่าเป็นในรูปของบริษัทหรืององคอ์กรแล้ว อ, อก็ตั้งตาไปอใช่เกิดเป็นกุศลอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าอันนี้จะให้เราเห็นถึงความที่เราไม่มีไม่ตระณีในในฐานอืดูพระรุชาของเราเป็นตัวอย่างเวลามะพราม ะะให้ทานจะได้รูว่าโอ้โหไม่ใช่ของธรรมด า, ม ช, า 8, 40, ช้างแปด0มื่นสี่พันเชือกอะไรต่างๆนี่นะแต่ว่าในที่นั้นเนี่ยบุคคลที่เป็นทักษินาทานเนี่ยที่ควรแก่การรับทานเนี่ยไม่มีเลยอ๋อไม่มีก็ยังให้วางะนะก็ยังให้เพราะฉนั้นมันก็เป็นสิ่งที่สมควรทำะนะเราก็ต้องดูความที่เป็นกุศลอกุศลในในเนื้อหาสาระของสถานการณ์นั้นๆด้วย นะครับอืมอืมแล้วในพุทธประวัติมีสิ่งบูชาเหล่านี้หรือไม่ครับเช่นพระราหูหรือว่าพระที่มีเสียงเป็นช้างนี้ครับไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยมีแต่พูดถึงเรื่องการบูชาหลักยันอ่าการบูชายันรตรงเนี้คือบูชายันเนี่ยก็คือลักษณะว่าเขาก็จัดพิธีบูชาขึ้นมาแต่ไม่รู้บูชาอะไรไม่ได้มีรูปปัน้นไม่ได้มีเทพเจ้าไม่ได้มีต้นไม้หรืออะไรต่างๆเหล่านี้ครั บ, ค, รบคือบูชายันเฉยๆก็เรียกว่าบูชาต่ออะไรก็ไม่รู้ เขาก็ยังทํากันในสมัยก่อนที่ไม่มีพระเจ้าเพราะมันมันไม่มีที่พึ่งไงใช่ครับไม่มีที่พึ่งเลยพึ่งภูเขาบ้างป่าไม้ต้นไม้อะไรพวกนี้ครับอืมดิฉันผู้เจ้าครั้งหนึ่งก็เป็นพราหมณ์ชื่อชื่ออะไรก็ไม่รู้นะถวายงานอยู่ในเกิดเป็นบรโรหิตถวายงานอยู่ในสมัยของพระเจ้าวิชิตราชแนะนําการบูชาญาที่เรียกว่าไม่ได้มีสัตว์ที่ไหนที่ไหนมาตาย คนทํางานก็ไม่ได้ต้องน้ํานาน้ําตานองหน้าพรางกล้ามอกไปพรางเพราะทางานที่ตัวเองไม่อยากทําครัำนะหรือว่าต้นไม้ไม่ถูกตัดคนไม่ถูกฆ่าพวกนีนะ้แต่ว่าเป็นทานที่เกิดจากอาในสายในคนน้ามันน้ำผึ้งน้ำอ้อยพวกนี้นะเป็นการบูชายญาณประเภทนี้แล้วก็ไม่มีเส้นน้ําหลักต่อ ค, ค, คนที่มารับนี่ก็เป็นลักษณะที่ดีทั้งหมดไม่มีโจมไม่มีการเบียดเบียนกันเนีย่ยเป็นแหมเป็นการบูชาที่ที่ดี บิชาบอกว่าแต่ว่าก็เป็นไปเพื่อสวรรค์ตอนนั้นเองครับอเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับเราก็ได้พูดถึงใจเรื่องนะครับเรื่องของอ่าการปฏิบัติติเรนของผู้เก่าที่วัดป่าดอนไหโสก็คือในช่วงนี้เลยนะครับตั้งแต่ห้อสิบแปดถึิบเก้าครับการเรื่องของผีของผีอามนุษย์ครับว่ามันมีทั้งมีและก็ไม่ทั้งมีทั้งไม่มีครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของทานที่เป็น เนื้อหนาบุญว่าเราก็ต้องสามารถเลือกได้ล่ะเนาะครับอืมครับเราก็มาทุกคนใหม่ในสัปดาห์หน้าคุณนภพงศ์ครับส่วนคําถามของคุณน้ําฝนกับคุณปณิทิตย์ขอยกไว้เป็นคราวหน้านะครับโอเคจะได้มาเชื่อมโยงกันครับกลับก็พบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปครับกลับนักการขอบพระคุณพระอาจารย์ภับูลณ์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหโศกจังหวัดอุดรธานีครับเชิญรบครับสวัสดีครับ